ขอความเจริญในธรรมจุงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ได้กล่าวมาถึงสมาธิสอมโพชฌงคเปรย์พระองค์ธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้จัดรู้ธรรมคือสมาธิสมาธินั้นเป็นอาการสงบของจิตแต่เราตั้งคำถามว่าสงบจากอะไร ตอบว่าสงบจากมิวรณ์ทั้งห้าประการหรือแม้แต่จะตั้งคำถามว่าสงบซึ่งอะไรก็ตอบว่าสงบซึ่งมิวรณ์ทั้งห้าประการในความเป็นสมาธิที่จริงจิตยังตึกนึกถึงอารมณ์อยู่เพียงแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่มีอาการของกิเลสเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะันเวลาพูดถึงองฌานทั้งห้าประการ ของท่านที่ได้สมาธิหพื่อแสดงว่านในขณะนั้นจิตของท่านก็มีกุศลธรรมอยู่ห้ า, าประการคือวิตกความตรึกนึกเหนียบนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลวิจารการไตรซองในเรื่องที่เป็นกุศลหรือธรรมาวิจารปิติความเออบินที่บังเกิดขึ้นภายในใจได้สุขความสงบใจ จากอารมณ์เครื่องสมองใจคือนิวรณ์ดังกล่าวและเอกกตาคือจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่าในตอนต้นๆก็ยังมีอาการของกุศลธรรมเกิดขึ้นถึงห้าข้อเดวยกันทําหน้าที่สงบนิวรณ์กันแต่ละข้อ คือนิวรธรรมะสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีที่เรียกว่านิวรก็มีอยู่ห้าประการเวลาทรงแสดงในเอกเทศหนึ่งต่างหากทรงสอนบนบุคคลรู้จักนิวรว่าดูจิตของเราในขณะนั้นๆั้นว่ามีนิวรณ์ข้อใดข้นหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดก็จะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่านิวรณ์ข้อนั้นข้อนี้เกิดขึ้นอาการต่อไปก็ศึกษาในลักษณะสืบสาว่าแต่ก่อนนั้นนิวรณ์ข้อนี้ยังไม่เกิดขึ้นเวลานี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรก็ศึกษาสืบสาวไปถึงสาเหตุที่มาของนิวรณ์นในแต่ละขอ้อ และนิวอณที่เกิดขึ้นมาแล้วจะสามารถสงบไปได้ดับไปได้โดยวิธีใดก็ศึกษาถึงธรรมะที่เป็นเครื่องมือในการดับนิวอณนเหล่านั้นและศึกษาต่อไปว่านิวอณ์ที่ดับไปแล้วจะไม่กำเริบขึ้นมาอีกโดยวิธีใดก็ศึกษาถึงวิธีนั้นนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่า ความสงบนิวร์นั้นในภาคปฏิบัติจริงๆมันทำอยู่ได้สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือสงบไปในขณะนั้นๆเจนสงบจากความคิดเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นว่าภาวนาวพุทุโธจนใจสงบอยู่กับวบัฏพุธโธ ก็แสดงว่าในขณะนั้นกามาจาันทะคือคว า, ามกำหนัดรักใคร่ในรูปทั้งหลายก็ชั่วสงบไปแต่ว่าเป็นการสงบได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งซึ่งบางทีก็สงบเป็นขณะขณะไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการเจริญจนได้สมาธิ การฉันก็สงบลึกลงไปกว่าเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนแปลงได้ยังไม่เป็นการสงบอย่างทิ้นเชิงต่อเมื่อใดจเจริญไปถึงอริยมรรคอริยผลอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นตัดนิวรนในแต่ละข้อออกไปได้ผลลำดับขั้นตอนที่ทรงสอนในพิจาราก็คือว่า เมื่อเรียงเราเรียงไปตามลำดับแต่การเกิดมันไม่ได้เกิดไปตามลำดับเรเรียงแต่ว่าทรงเรียงไปตามกลุ่มของกิเลสโลกกดลงท่านั้นส่วนการเกิดข้อไหนจะเกิดก่อนเกิดหลังในเราก็ไม่รู้หรอกเรียงแต่ว่าดูจิตให้รู้ในขณะนั้นๆว่ามีนิวอน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ จนเวลาการมาจันนิวรณ์เกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเวลาเนี้ยการมาันนิวรณ์มันเกิดขึ้นไปในจิตของเราดูต่อไปว่าเมื่อก่อนการมาจันนิวรณ์ก็ไม่เกิดเวลานี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราตอบว่าเกิดขึ้นมาจากจิตที่ไปปรุงคิดคิดปรุง ถึงสิ่งที่ตนสัมผัสในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเรียกว่าสุภาษสัญญาคือการกาหนดหมายว่าสวยงามหรือสุพานณิมิตมองให้เห็นเป็นคร้องสวยงามถามมามองอะไรกาหนดหมายอะไรต่อบมามองสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอารมณ์ จึงเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของต น, นเราจะเห็นว่าอารมณ์แบบนั้นที่จริงมันก็สักแต่ว่าอารมณ์แต่จะมีสิ่งผลต่อใจคนมากหรือน้อยนี่ขึ้นอยู่กับจิตเราไปกําหนดเราถ้าเรากําหนดด้วยความกําหนักในความรู้สึกของเราก็จะเห็นว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไปรา ก, กลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้อง อารมณ์เหล่านี้ควรเหนียวนึกควรสึกนึกรู้สึกสึกนึกแล้วมันสบายใจเป็นต้นแสดงว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราก็ได้ก็เป็นเรื่องต่างคนต่างคิดอย่างที่ท่านพูดไว้เป็นคำกลอนว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครุนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่เป ล, าลา่าไร แสดงว่าคนสองคนมีพื้นฐานมีระดับปัญญาแตกต่างกันเห็นรูปอย่างเดียวกันแต่ว่าคิดคนละเรื่องกันซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าบุคคลมีปัญญามากก็คิดถึงสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาจิตเท่านั้นเองไม่ได้คิดไปถึงเรื่องอื่น เห็นยกตัวอย่างว่าผู้เจ้าสอนในมองจอมปลวกซึ่งเป็นสัตว์เล็กๆแต่สามารถระดมกำลังกันก่อสร้างเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของต้นได้เมื่อสร้างเกิดเข้มแข็งแข็งแรงแล้วสามารถทนทานแม้ช้างสารก็ทำอะไรจอมปลวกไม่ได้ เป็นการสอนเหตุนึกความเพียรพยายามที่สะสมไปเรื่อยๆามกันไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วในที่สุดจิตใจจะเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลมีภูมิจิตภูมิธรรมมีความเข้มแข็งไม่โอนไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบเป็นต้นหมายความว่าสิ่งนั้นก็คงอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเรานํามาคิด เพื่อเป็นครูในการปฏิบัติใจตัวเองให้กิเลสเป็นจางคลายออกไปจากจิตใจทีนี้ถ้าหากว่าไปกําหนดด้วยความกําหนัดความกําหนัดมันก็เกิดขึ้นรูปนั้นอาจจะไม่สวยสมบัติคนอื่นแต่ก็สวยสมบัติเราเสียงอาจจะไม่ไพเราะสมบัติคนอื่นแต่ว่าไพเราะสมบัติเราเป็นต้น ตรงสุภาพนิมิตหรือสุภาพสัญญานี่เองเป็นเหตุได้เกิดกามาชั้นทั้นนิวอรอนขึ้นแสดงว่าเราปรุงคิดคิดปรุงเอาเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของมันอย่างนั้นพนการคนที่ไม่คิดไม่ไม่ปรุงเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาคนระับนั่นต้องเป็นพระยาบคุคคล จึงสามารถที่จะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสรูปกสักเดีรูปเสียงกสักเดี๋ยวเสียงเป็นตุนจิตใจไม่ฟูกไม่แพรบไม่ยินดียินร้ายไปกับอารมณ์ดัง น, นั้นแต่ท่านก็อยู่กับอารมณ์หดัง น, นั้นแหละท่านก็ไม่ได้หนีไปจากโลกอยู่ในโลกนี่แหละในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในโลกเสี้ยงเดียวกับสามัญชน ยังว่าจิตใจท่านไม่ได้กําหนดนึกไม่ได้เดียวนึกไม่ได้จึกนึกแต่เด่นพอเราเนี่ยมนึกในแนวของความสงบดังกล่าวในประเด็นแรกสุภาณิมิตรสุปาทัญญาก็จะสงบเป็นการสงบก า, ม า, ารมจันทร์ท่านิวรณ์ได้ระดับหนึง่งพอเป็นผลของสมาธิ ก็คืออาการของสมาธิที่เรียกว่าเอกกตาหรือสมาธิจะทำหน้าที่สงบกรมฉันแต่การสงบระดับนี้ยังกําเริบได้ยังเปลี่ยนแปลงได้โดนกระแทกแรงๆมาจากข้างนอกโอกาสที่ฉานจะเสื่อมนี่ก็มีได้เพราะในคมภี์พระพุทธศาสนาได้แสดงฤาษีที่ฉานเสื่อมไว้เป็นอันมาก บางท่านไปไกลถึงสมาบัตแปดแล้วแต่ว่าเป็นการข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังของฌานเฉยๆนิวรณนมันไม่ได้สงบไปจริงๆไม่ได้ดละลาขาดไปจริงๆพอเจออารมณ์มายั่วยวนมากระตุน้นมาเร่งร้าจิตใจท่านก็แปรผันไปกับอารมณ์ตอนนั้นมีความกำหนัดเพเลิดเพลินชื่นชมยินดีไปกับอารมณ์ตอนนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติระดับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการละนิวรณได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าเป็นทางผ่านหมายความมากกว่าจะละขาดได้จริงคนก็สัมผัสระดับนี้มาก่อนเป็นลักษณะของการลิ้มการชิมรสชาติแห่งธรรมะรสชาติแห่งความสงมบจากการมฉันนิวรณแต่คนที่จะละกรมชันนิวรณได้ขาด อันไม่ใช่สามัญชนเพราะว่าพระสาบรรณบันพระสกิตาคายังละไม่ได้ตรงคนระดับพระอราหันต์จึงละกามราคาได้เป็นการละได้อย่างเด็ดขาดจิตใจของท่านเหมือนแผ่นศิลาที่เทน้ำลงไปก็ไม่ดูดซึมเข้าไปหรือเหมือนกับน้ำตกลงในในใบบัวก็จะกลิ้งกลับลงมาจากใบบัว ไม่แทรกซึมเข้าไปในใบบัวฉะนั้นวันการสงบระดับนี้เป็นการสงบระดับที่ปรารถนากันจริงๆแต่อย่าลืมว่าเป็นผลจากอริยมรรคในการปฏิบัติทั้งปวงที่จริงก็อยู่ในอริยมรรคนั่นแหละแต่ว่าอริยมรรคมีความเข้มข้นขนาดไหนอย่ามาถึงชั้นนี้ก็ถือว่าศีลท่านสมบูรณ์แล้วสมาธิท่านสมบูรณ์แล้ว แต่ปัญญาอย่างไม่สมบูรณ์เรียกว่าปัญญาพอประมาณแต่ท่านก็สามารถสงบกามฉันย์ลงไปได้ในการไปบัตสมับสาทุชนทุไฟหรือว่าสามัญชนทั้งหลายมันอยู่ที่การตั้งสติสมัมจัญญาและใช้ความเพียรพยายามที่จะรู้ลึกรู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาสัมผัส พยายามควบคุมความคิดเอาไว้ไม่เกิดยินดียินร้ายอะไรมากเกินไปหรือการมองในแง่ของความเป็นสังขารความเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันหรือมองว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ที่เรียกว่าเอวังธรรมโอรธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังภาโวสภาวะมันเป็นอย่างนี้เวังอนัตติโตไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เป็นการใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าการสึกนึกที่เป็นกุศลในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นมโนสุจริตคือสุจริตทางใจเป็นอาการสยบ หรือสงบกิเลสไว้ระดับหนึ่งโดยการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะในแต่ละขณะถ้ามีโอกาสมีจังหวะดีๆก็จะนั่งสมาธิสัมผัสความสงบเหล่านั้นด้วยใจตัวเองเรื่องกุณฑร a r m ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ย มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นไม่มีใครที่จะช่วยเหลือใครได้นอกจากบอกกล่าวชี้แนะให้เท่านั้นเองแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกให้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติพัฒนาจิตใจตัวเองจนหลุดพ้นจากอำนาจของมานั้นเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายจะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามด้วยตัวของตัวเอง สัมผัสได้ลึกสัมผัสได้ตื่นสัมผัสได้ขนาดกลางก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นตามนัยยะของพระธรรมคุณที่เราสวดสรรเสริญว่าเอหิปัจสิโกคือเชิญมาพิสูจน์ทดสอบมาตรวจมาดูมาพินิจพิจารณาธรรมะเหล่านั้นตามที่ทรงแสดงเอาไว้และถ้าต้องการผลระดับใดระดับหนึ่งโดยนัยยะที่กล่าวแล้ว มันต้องโอปนันนัยโกคือต้องนำมาปฏิบัติในกรณีของสมาธิดังกล่าวนั้นก็คือใช้สติสัมมาัญญาในความเพียรในการฝึกปือจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆจนซ่งบได้เป็นชั้นๆซึ่สงบได้ลึกจนถึงขนาดตัดขาดในบางอารมณ์ หมายความว่ารูปบางรูปเสียงบางเสียงกลิ่นบางกลิ่นจิตใจจะไม่กำหนัดเพลิดเพลินเช่นชมยินดีอยู่กับอารมณ์เ่านั่นเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่คิดอยากจะเล่นตุ๊ ก, กตาอย่างเด็กๆไม่ต้องการเล่นเรือน้อยๆรถน้อยๆเล่นฝุ่นเล่นขายของอะไรอย่างเด็กก็เล่นนั่นแสดงว่ามีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีเหตุผลในการคิดมากยิ่งขึ้นรู้บาปูนคุณโทษสูงขึ้นแต่ที่ร้ายก็คือว่าไม่เปลี่ยนอย่างหนึ่งแล้วไปควายอย่างหนึ่งสิ่งไปที่สยบติดเพิดเพลินออกไปนั้นเป็นสิ่งที่มีปัญหามากกว่าสิ่งแรกเพราะเด็กเล่นขายของก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะักแต่ว่าเวลาเป็นผู้ใหญ่บางครั้งบางคราวก็มีการยื้อแยง้งมีการต่อสู้ราดประหารกัน เ่อต้องการเป็นเจ้าเาเจ้าของครอบครองสิ่งซึ่งต่างคนต่างกับนัดระใครพอใจยินดีดังนั้นท่านจึงสอนให้มีปัญญาเห็นประจักษ์ในขณะนั้นๆหมายความว่าเมื่กสัมผัสอารมณ์ก็รู้เท่าทันต่ออารมณ์หลนั้นหลักการสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เรามองดู ว่าจริงๆอารมณ์ข้างนอกมันไม่ค่อยมีอะไรอะไรหรอกสำคัญอยู่ที่ใจเราคิดยังไงใจเรามีกิเลสหรือว่าไม่มีกิเลสอารมณ์ข้างนอกมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าเย็นร้อนออนแข็งเล่านั้นเองแต่ที่มันมีติพลนำจิตใจเราให้แปรผันไปได้นั้นเพราะใจเราไปให้ความสำคัญแก่มัน โดยทรงยกตัวอย่างให้ดูว่ามันเหมือนกันโล ก, กธรรมคือลาบยศสันสนสุขคือเสื่อมลาบเสื่อมยศอินถาทุกจะ เ, เรียกว่ส่วนที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาพอประสบกับโล ก, กธรรมส่วนที่น่าปรารถนาถ้าสามัญชนทั่วไปและใจจ้าู่จะสนุกสนานชื่นชมยินดีจะมีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่ แต่พอไปเจอกระทวนที่ไม่น่าประกับหนาก็ทุกโตรรมโตรมานหมดไหมจะเป็นจะตายเอาให้ได้บางครั้งบางคราวเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตน่าคิดมันก่อนมีนายทหารคนหนึ่งเขามาพูดว่าพระนะพูดได้ เรื่องการพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปนะพูดได้เพราะพระไม่มีแต่สมรับคารวาดแล้วเนี่ยลูกตายไปนคนหนึ่งเนี่ยมันหมดชีวิตไปเลยมันเพ่งความว้าเวโดเดียวเดียวได้เอนจึงทำใจได้ยากที่จริงการทำใจได้ยากในอารมณ์รถเนี่ยมันทำใจได้ยากด้วยกัน เพียงแต่ว่าพระุุรย่าสอนให้ฝึกฝืนคือคิดบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยๆในแง่ของกะฏิธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลาดเป็นธรรมด า, มม า, รรมดาการพลาดพลาดนั้นเขาอาจจะพลาดพลาดจากเราหรือเราอาจจะพลาดพรากจากเขาแต่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลต น, น ต่างคนต่างแก่ต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างตายแต่ว่าเราที่เราเดือดร้อนนั้นเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจเอาไว้พอมาเกิดพลัดพลา ด, ลดสูญเสียข้าวก็เกิดทุกขเวทนาเกิดร้อนร้อนยประการต่างๆที่มันต่างกันก็คือไม่ได้คิดบ่อยๆชาวบ้านที่เขาคิดบ่อยๆเขาก็อยู่ได้สบายเหมือนกัน มันจำเป็นจะต้องคิดไว้บ่อยๆต้องเตรียมใจไว้เสมอเหมือนเราอยู่ในกลางคืนมันต้องเตรียมกลางวันไว้ก็ถึงกลางวันก็ต้องเตรียมอีกไม่เท่าไรก็ถึงกลางคืนนะคือไม่ได้เตรียมตัวรับด้านใดด้านหนึ่งแต่เตรียมตัวที่จะรับได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นโลกธรรมเกิดขึ้นแก่ปุทุชน ผูุ้ชนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมของปริยะไม่ปฏิบัติตามธรรมของปริยะไม่เห็นธรรมของปริยัติพอโลกธรรมเกิดขึ้นท่านก็ตั้งหลักไม่ได้ใจก็พูดกแฟงไปตามกระแสของโลกธรรมไม่ได้มีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงในโลกธรรมเหล่านั้นว่าโลกธรรมเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา มันเกิดขึ้นมาก็ด้ยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ด้ยเหตุปัจจัยถึงจุดหนึ่งก็จะแตกสลายไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครสามารถบังคับกะเกณ์ให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการได้แต่พระริยเจ้าท่านน น, นยยะตรงนันข้ามว่าโลกธรรมเกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าโลกธรรมเหล่า น, นี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แตโลกธรรมเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเดินตามรอยของพระอระหันต์ในขณะที่เรายังไม่สามารถจะไปดับกิเลสอย่างที่ท่านดับได้แต่ว่าก็ใช้ปัญญาปินิดพิจารณา ตามรอยตามปฏิปทาของพระอาหารหันต์ย่าน้อยเป็นการระดับบรรเทาความสูกความร่ำรวยรำพันความทุกข์ความเสียใจความครับแค้นใจปริเบธนานการคร่าครวนด้วยประการาต่างๆเมื่อต้องพัดพลากจากคนจากสัตว์จากสิ่งอันเป็นทิรัสหรือปัญหาที่เราจะต้องถามหมายว่า มันร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วจะได้อะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีแต่เสียเล้อก็เป็นการเสียเพิ่มเติมขึ้นเท่านั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้วาการร้องไห้การเสียใจก็ดีเป็นเรื่องที่คนไม่ควรทำโดยทรงให้ผลไว้ว่างญาติพี่น้องนี่เขาก็ตายไปแล้วเขาไม่ได้รับรู้ถึงการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจของเรา แสดงว่าเป็นการลงแรงลงทุนลงแรงที่สุดรับอีกฝ่ายหนึ่งก็าไม่รับรู้อะไรเลยประการที่สองสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราจะเสื่อมโทรลงไ ป, ป ร, รู้สึกว่าตนในพักรากสูญเสียประการที่สามญาติพี่น้องที่ทราบข่าวคราวญาติคนหนึ่งตายญาติคนหนึ่งร้องหง่มร้องไห้ไม่เป็นสติสมไปดี ก็ทำให้เกิดสงสารเกิดความทุกข์ตามกันไปท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี